เปิดหนังสือไปหน้าร7อยเจดสิบปว่าด้วยขปทานสุตตากถาอยู่ในภาคของบทอนุโมทนาอคโตเวปัสนนนังอาคังธรรมังวิชานตางเมื่อบุคคลรู้จักทรมันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ อาเคพุทธเทระสันานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิน่นทักษิณเยอนุตตะเรซึ่งเป็นทักสิณเยาบุคคลนันยอดเยี่ยมอาเคธรรมเถระสันานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมมันเลิศ วิราคูปสเมสุเคซึ่งเป็นธรรมปราเสรจากราคาสงบระงับเป็นสูงอาเคสังเคปสันนนังเลื่อมใสแล้วในพระงค์ผู้เลิศบุญญาเขตเต อ, อนุตตะเรซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมอาคาสมิงธานางทะทะังธาตตังถวายทานในท่านผู้เลิศ อาคังบุญยังบาวัตเีบุญที่เลิศย่อมเจริญอาคังอายุเจวั น, นโอจางอายุวันณาที่เลิศยาโสกิตติสุขังภรางไรยศเกียรติคุณสุขาภราที่เลิศย่อมเจริญอาคาสาาัสสัทธาเมธาเวียมผู้มีปัญญาย่อมให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ อาคาธรรมะสมาอิโตและเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมมันเลิศเทวะผู้โตมนุสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามอาคาปะัโตปโมททิติยอมถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู่ดังนี้แลนกาลทาน กาลสุตคาฐานหน้าร้อเจ็สดนับขึ้นมทัดที่สี่กาเล ท, ทันติสปัญญาวทันยูวิตมจชรามผู้มีปัญญารอบรู้และปาศจากความตรี กาเลนะทินังอริเยสุชุพุเตสุตาทิสุยอมถวายทานตามการรัสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้พระพื้ตรงคงที่วิปรสันมณาทัสสวิปุราโงติทักขนาเมื่อมีใจเริ่อมใส่ศรัทธาแล้วทักสินาทานย่อมมีผลอันไยบูุ์ เยตาธาอนุโมทันติเอวยาวจังการณติวาชนทั้งหลายเหล่าได้ร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขนนขวายในทานนี้นาเตนาทากินาโอนานทากศินาทานนันมิได้พ้องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลย เตปิปุญญาสภาาคิโนุแม่ชนผู้ร่วมมนุโมทนายก็มีส่วนแห่งบุญด้วยตาสมาะเทอปฏิวานาจิตตโยทธาทินังมาพราอัเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตทอถอยในทาน ท่านนั้นย่อมมีผลมากบุญญาณิญญา<บ>ปารลกสมิงปฏิธาหุนติปานินันติมบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่ญญพึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลมติโลกุธธกันตกาถาหนากก้าร7 9 อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสข้าจจเมเปตานาเมื่อบุคคลได้มาระลึกถึงคุณอุปการาท่านท่านได้กระทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ช่วยทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ทักนังทัจฌาบุเพกาตามนุสสรังก็ควรในทักสินานุปทานเพื่อผูธิลาโลกนี้ไปแล้วนัน้นในรุณังวาสโสวายาปัญญาปริเทวนัง การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียว นาตังเปตานามัทธายามรอการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วอเอวังทิทันติญาตโยญาติทั้งหลายยำตั้งอยู่อย่างนั้น อยันจะโคตักินาทินาก็ทัสินานุปาทานนิแลอันท่านได้ให้แล้วสังกรมมีสุปฏิทิตฐิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในโสมที่กรรตังอิทายาสถานโสุปะกปติ ยอมสำเร็จประโยชน์เพื่อคุณแก่ผู้ที่ลโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดการละนานตามฐา น, นโะโยยาที่ทมโมจะยังนิทัสสิโตยญาติธรรมนั้นทนันไดแสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลโลกนี้ไปแล้ว เพตานผู้ชาจักตาอุราลันและบูชาอย่างยิง่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นพระรัชพิกุณมนุปปินังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายที่ว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย ตูมิบุนยังประสุตังอนัปปะกันเตียมบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนิมต่อไปเป็นมงคลจั ก, กรวาลน้อยหน้าร้อยแปดสิบนับขึ้นบรรทัดที่เจ็ด สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพันธมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง พุทธรัตตานังธรรมรัตตานังสังขรัตตานังตินังรัตนานาังอนุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งรัตนาทั้งสามคือพุทธรัตตานะธรรมรัตตานะสังขรัตนาจตุราชิติสหสธรรมะันธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมะขันธ์แปดหมสี่พัน ตตากตญาุภาเว น, นันด้วยอนุภาพแห่งพระไต้พิโลกชินสาวกานุภาเว น, นันด้วยอนุภาพแห่งสาวกพระชินจางสาเพเ ต, เตโรคาสาเพเ ต, เต พ, พยาโรคทั้งหลายของท่านไปทั้งหลายของท่าน สัพเพตอันตรายยาสัพเพตอุปัฏฐาวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัฏฐวาทั้งหลายของท่านสัพเพตทุนิมิตาสัพเพติอวมังคราวินาสันตัวนิมิตรายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านจงพินาศไป อายุวตัตถโกตนวตัตถโกนความเจริญอายุความเจริญสามสิริวตัตถโกยศวัตถโกนความเจริญสิริความเจริญยนฺต์ภารวัตถโกวันนวัตถโกนความเจริญกำลังความเจริญวันนาะ สุขวตัตโกโหตุสัพทานความเจริญสุขจงมีแก่ท่นนทานในการทั้งปวง ทุกขโรขพยาเวรังความทุกข์โรคภัยแล้วอนทั้งหลายโศ ก, กสัต ว, ว, ตาาว์ตัจุปัตทวังความสศกสัตว์ระอุปัตวะทั้งปวงอเนการตรายายปิวินาสันตุจตเตจสมอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชาน ชยาสิทธิ์ทนาลาภังความชนะความสำเร็จสับเร้าสดที่พระกยังสุขขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุเจวันโนเจผู้ขังสิริอายุวันณโภู้แก่ซ้ำวุฒิเจยาวสวรรความเจริญและความเป็นผู้มีโยน สัะตะว์ว่าชาจะอายุจํงการใ้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพาวันตุเตนและความสําเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเธิ